นะเอาอริยสัจเป็นหลักเพราะว่าปฏิสัมพิทานจะเป็นปฏิสัมพิธาได้ต่อเมื่อรู้อริยสัจไปแล้วถ้าก่อนที่ยังยังไม่บรรลุอริยสัจไม่ชื่อว่าปฏิสัมพิธาก็ยังที่กล่าวว่าปุถุชนที่เรียนคำภีร์นี้ถึงวิเคราะห์ได้ก็ไม่เรียกว่าปฏิสัมพิธาอานะเพราะว่าปฏิสัมพิธาเนี่ยมีสําหรับพระอริยะเท่านั้นปุถุชนเรียนแล้วก็เพื่อเพื่อเป็นอุปนิสัยให้มี ปฏิสัมพิธาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะทีนี้ถ้าว่าถ้าเราทรงจำอริยสัจได้นะว่าทุกขสัจทุกขสัจเนี่ยในฐานะเป็นปัจจุบันใช่ไหมความเป็นทุกขสัจโดยทั่ ว, วไปท่านถือเอาวิบากและกรรมมาสรุปเป็นหลักในในความเป็นทุกขสัจนะนะชาติทุกข์ี่นะชราทุกมรณะทุกเนี่ยนะคือโดยย่อคืออุปาทา น, นขันคือขันที่เกิดจากอุปาทาน ขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานขันที่อุปาทานสร้างขึ้นอันนั้นเป็นชื่อของวิบากกับกรร ม, มชรูปเป็นหลักเพราะฉะนั้นอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับวิบากและกรร ม, มชรูปจึงถือว่าเป็นทุกขศาตร์ไปด้วยแต่ว่าสิ่งอื่นๆอย่างดอกไม้เป็นทุกขศัตร์ไหมเป็นดอกไม้เกิดจากกันหาหรือเปล่าไม่ได้เกิดจากกันหาเพราะฉะนั้นสมุทัยเนี่ยคือตันหา เอาตันหาเป็นหลักเนี่ยนะเอาตันหาในฐานะ เ, เ, เป็นตัวนําเกิดเนี่ยนะเป็นตัวนําเกิดทั้งการวิเคราะห์อริยศาสตร์การพิจารณาอริยศาสตร์ไม่ใช่เพ่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งในเบื้องต้นนะแต่เป็นการรอบรู้อย่างตลอดสายที่เรียกว่ารู้ปวติรู้ปว ต, ปวติแปลว่าความเป็นไปทุกขศาสตร์นี้แปลว่าปวตินะปะวติถ้าสมุทัยาศาสตร์เนี่ยปวตนะ แปลว่าเหตุแห่งประวัติหรือเหตุแห่งความเป็นไปเนี่ยนะดังั้นคําว่าทุกขศาตร์เช่นคําว่าประวัติจริงๆนะภาษาไทยเนี่ยเช่นเขียนประวัติคนนั้นประวัติคนนี้นะจริงๆก็เขียนเรื่องทุกขศาสตร์นั่นแหละคําว่าประวัติก็คือความเป็นไปแต่นี้องค์ธรรมได้แก่อะไรได้แก่ทุกขัตสตร์ทุกขศาตร์เหล่านั้นเนี่ยมีสมุทัยเป็นแดนเกิดความรอบรู้ในทุกขศาตร์เป็นอะไร อธากปฏิสัมพิทาความรู้ในสมูทายสัต์สมูทายที่เป็นเหตุแห่งทุกข์อันนั้นเป็นธรรมปฏิสัมพิทาทีนี้ทุกขศาสเนี่ยนะถ้าจะดับดับทุกขศาสเนี่ยดับต่อเมื่อ อ, อะไรเป็นปัจจัยจึงดับทุกขศาสไดอ้อย่างแท้จริงเมื่อนิโรศรจะเป็นปัจจัยแก่อริยมรจึงดับสมูทายสัตได้นิโรศรเนี่ยถือว่าเป็นเป็นผลนะ เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นความรู้ในนิโรธเป็นอัาปฏิสัมพิทาความรู้ในอริยมรรคที่เป็นเหตุให้บรรลุนิโรธจะอันนั้นเป็นธรรมปฏิสัมพิทาทีนี้ตัวคำว่าทุกขาริยสตัตว์เนี่ยนะวิธีเขามีวิธีแบ่งเยอะอ น, นะเกี่ยวกับเรื่องทุกขาริยสัตว์นะสามารถเอาขันอายตนะธาตุอินทรีย์พบสาม พ บ, พบสามมีการมาพบเป็นต้นพบสามมีเอกว ก, การมภพเป็นต้นสัญญาพบเป็นต้นเนี่ยหรือจะเอาปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาก็ได้อย่างตรงเนี้ยท่านยกพุทต่อพจนายคำภีวิพังมาว่าชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งจริงๆแล้ว่คําว่าชารามรณะเป็นคําที่ใช้แทนคําว่าทุกเนี่ยนะทุก์ วัชรามรณะความรู้ในชรา ม, มรณะเป็นอัฏฐอัฏฐปฏิสัมพิธาความรู้ในชรามรณะสมุทัยเป็นธรรมะปฏิสัมพิธาความรู้ในชรา ม, มรณะนิโรธเป็นอัฏฐปฏิสัมพิธาความรู้ในชรา ม, มรณะนิโรทัคคามินีปฏิปทาเป็นธรรมะปฏิสัมพิธานะนก็ไล่อย่างเนี้ยมาเรื่อยๆว่าชาติแต่ก่อนถึงชาติก็พบ อุปาทานตัณหาอะไรเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปสังขอ่ะเลีญาณและสังขารเนี่ยนะหรือจะเอาแบบขันห้าก็ได้ถ้าที่อื่นใช้คําว่าสกายะเนี่ยนะสกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรตสกายะนิโรธคามมนีปฏิปทาบางคัมภีร์ก็ใช้คําว่าโลกโลกสมุทัยโลกนิโรตโลกนิโรธัคาไมนีปฏิปทา การที่มองอริยสัจออกความรู้ในสิ่งเหล่านี้เป็นอัตถะกับธรรมปฏิสัมพิทาถ้าเอาอริยสัจเหล่านี้ออกมาแสดงได้เรียกว่าเป็นนิโรธิตปฏิสัมพิทาเอาออกมาแสดงได้ทีีน้การแสดงได้บางคนแสดงอย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญบางคนก็พอสอนได้อันนี้ก็อยู่ที่ปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาตัวปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาจะไม่เท่ากัน นะจริงๆการบรรลุอริยสัจจะบรรลุเท่ากันหมดนะนะพารยาบรรลุอริยสัจเท่ากันแต่นีรูปติปฏิสัมพิทากับปฏิพานปฏิสัมพิทาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความสามารถในในปฏิสัมพิทาจึงแตกต่างกันเฉะนั้นความรู้ในในการมีปฏิพานหรือความรู้ในญาณทั้งที่เป็นอัฏฐ ธ, ธรรมนิรุตนั่นแหละเป็นปฏิพานปฏิสัมพิทา ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยกล่าวว่าปฏิพาณนนี่เกิดด้วยเหตุสามประการปฏิพานนยสับว่าปฏิพา่เฉยอย่างในคัมพีจูเรนิเทศมหานิเทศบอกว่ า, าปฏิพานเนี่ยเกิดมาจากหนึ่งการเรียนเนี่ยนะการเรียน พ, พระไตรปิฎกเนี่ยก็ทําให้มีปฏิพานเนี่ยนะก็เข้าเรียนแล้วก็มีแต่ปฏิพานนไม่บ้าหรอกอนั่นนะก็กลัวว่าโอ้โหเรียนพระไตรปิฎกเดี๋ยวจะเป็นบ้างี้ยจริงเข้าเรียนแล้วก็มีปฏิพานมากขึ้นมากขึ้น แต่ถ้าเรียนแล้วเป็นบ้าโทสะมันเรียนทีนี้ต่อไปนะบอกว่าปฏิพานเกิดจากปริปุชาแปลว่าการสอบถามเนี่ยนะใครที่รู้จักไต่าถามเพื่อรู้รอบอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งปฏิพานอย่างที่สามก็คือการบรรลุอธิคมเนี่ยนะอธิคมการบรรลุมรคลก็ทําให้เป็นเหตุให้เกิดปฏิพานถ้าระยะสมัยพุทธกาเลเนี่ยนะท่านสา ม, มารถอธิบายพุทธพจน์โดยที่ไม่เคยฟังคาอธิบายมาก่อนได้ เช่นถ้านมหากจรยาน ะ, นะได้ฟังผู้ตถาโพย่อยๆเนี่ยท่านอธิบายได้เช่นดูในกจรยานพัทเทกรัตสูตรเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามหากจรยนะฟังปั๊บอธิบายได้เลยเนีย่ยนะอธิบายได้ทดันทีถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าการบรรลุมรรคผลของท่านแต่อย่าลืมว่ากว่าจะได้อย่างนั้นนะแสนกลับทั้งนั้นน่ยของเราได้กี่กับแล้วล่ะพูดถึงเ อ, อเกี่ยวกับ ปฏิสัมพิทาในหน้า20เลยนะหน้า20ย่อดหน้าสุดท้ายว่าบัณฑิตเพิ่งทราบปฏิสัมพิทาสี่เหล่านี้ว่าย่อมถึงซึ่งประเภทในฐานะสองย่อมผองใสด้วยเหตุท่าถามว่าย่อมถึงซึ่งประเภทคือประเภทเนี่ยแปลว่าจำแนกันะในฐานะสองเนี่ยเป็นฉไห น, นคือในเสขะภูมิกับอเสขะภูมิในสองภูมิเนี่ยนะคือเสขะอเสขะภูมินั้นอน่ะ ปฏิสัมพิธาของพระมหาเถระแปดสิบองค์ก็คืออสีติมหาสาวกนะนี่ยมีพระเถระผู้มีชื่ออย่างนี้คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสปะพระมหากัจจายนะพระมหากโกธิตะเป็นต้นถึงซึ่งประเภทในอาเสขาภูมิคือเป็นปฏิสัมพิธาของพระอรหันต์เห็นไหมแต่ถ้าเป็นพระภิกษุณีก็เช่นเขมาภิกษุณีอุบลบนรณาเถรีกัชชังคลาภิกษุณีเป็นต้นเนี่ย ท่านเหล่านี้ถึงความแตกฉานในอาเสขาภูมิหรือพระธรรมทินนาเถรีเนี่ยนะพระธรรมทินนาเถรีเนี่ยก็อาเสขาภูมิเหมือนกันหรือพระนางมหาประชาบดีโคตมีหรือพัทกาัากัจจานีเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นอาเสขาภูมิส่วนปติสัมพิธาของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีชื่ออย่างนี้คือพระอนุนเทระจิตตากฤหบดี ท่านนนิพระโสดาบันนะจิตตะครหะบดีนี่เป็นพผ้านาคามีทำมิกะอุบาสกอุบาลีครหะบดีพวกนี้ก็เป็นพผ้านาคามีคู่ชุตรลาก็ตอนแรกก็เป็นโสดาบันเนี่ยนะตอนหลังไม่ทราบเห็นไหมฟันท่านเหล่านี้แตกฉานในเสขาภูมิคือถามอย่างท่านนนินท่านฟังหนึ่งคำเนี่ยคูณเลยหกหมื่นคำความสามารถนันขนาดนั้น ถ้าแบบคําพูดทั่วไปเนี่ยเราพูดหนึ่งคำพรานรนพูดได้แปดคำพรานรนพูดได้คำหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำมันเราพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้ร้อยกว่าคำอย่างนีเขาบอกว่าพูดเร็วเท่าพระพุทธเจ้านะพรานรนเนี่ยเรียนได้สบายๆนี่นะพูดได้ขนาดนั้นนะปัญญาพรานรจะเรียนได้พอดีเลยนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยอู้พระนรถ้าเทียบแบบทั่วไปอู้ทำไมช้าขนาดนี้อย่างนี้นะคือความสามารถนู้ห่างกันมาก แต่ก็ยังว่านะแสนกลับทั้งนั้นเลยนะี่ยของเรายังไม่เคยนับหนึ่งแต่จะขอบรรลุเท่าพระนนท์นี่มันก็ไม่มันก็มันก็ไ ม, ไม่ไม่สมควรนะนะแต่พวกเราส่วนใหญ่เอาพายะสูตรเนี่ยนะขอเอตทัคคามรนลุบ้านอะไรนะเอตทัคคาประเภทขิปนาวพิญญาบรรลุเร็วที่สุดเนี่ยนะนะเราก็ยังไม่ได้สะส ม, มนะแต่จะขอแบบนั้นบ้างอนะ ทีนี้พูดถึงปฏิสัมพิทาเนี่ยนะผู้ที่มีปฏิสัมพิทาเนี่ยผ่องใส ไ, ไม่ผ่องใสเนี่ยไม่เท่ากันนะอย่างเหมือนกับว่าไฟไฟเท่ากันเนี่ยใครที่เคยใช้แบตเตอรี่เนี่ยจะรู้ใช่ไหมส่องได้บางคนเนี่ยส่องได้สว่างมากบางคนไม่ค่อยสว่างส่องที่เดียวกันเนี่ยนะหรือไฟตะเกียงไฟเทียนทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ใช่ว่าสว่างเท่ากันหมดนะชั้นใดก็ดีผู้ที่มีปฏิสัมพิทาก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะผ่องใสเท่ากัน ทีนี้ความผ่องใสหรือประจักษ์ชัดเจนเนี่ยนะคำว่าผ่องใสหมายถึงประจักษ์ชัดเจนแตกชานน่นะก็ด้วยเหตุห้าประการคือหนึ่งอธิคมสองปริยัตสามสวระคคือการฟังสี่ปริปุชาการไต่ถามห้าปุพโยฆาก็คือบุญเก่าหรือการบำเพ็ญเพียรเอาไว้แต่การก่อนเป็นอย่างดีเนี่ยนะในเหตุห้าประการเหล่านั้นการบรรลุพระอรหันต์ชื่อว่าทิคมนันผู้ที่ บรรลุปฏิบรรลุเป็นพระุอรหารเนี่ยนะปฏิสามทิทาท่านผ่องใสคนะือประจักษ์ชัดเจนมากอก น, นะอย่าลืมว่าประจักษ์ชัดแล้วเอามาพูดได้สแสดงได้อีกเรื่องหนึ่งนะบางคนก็เอาสแสดงได้มากบางคนก็สแสดงได้น้อยเนีนะ่ต่อไปว่าพุทธพจน์ชื่อว่าปริยัตใครที่มีพุทธพจน์เยอะนะปฏิสามทิทาก็ผ่องใสถ้าใครที่พุทธพจน์ไม่มีสักอย่างเนี่ยนะ ก็ไม่ผ่องใสใช่ไหมจัดดอกไม้สวยมากอันนะแต่ไม่มีดอกไม้ให้จัดเนี่ยนะฝีมือยังไงก็ทำไม่ได้เป็นคนชอบทำบุญมากแต่ไม่มีอะไรจะให้ทานเนี้ยนะก็นั่นแหละันปริยัติเนี่ยสำคัญนะมันเป็นอริยทรัพย์เลยนะเคยได้ยินหน้าอริยทัพย์ห้านะอริยทรัพย์เจ็ดนะศรัทธาศีล สุตตะจาขะปัญญาฮิริโอตปะพวกนี้เป็นอริยทรัพย์นะผู้สูตรเนี่ยนะการได้ยินได้ฟังภาพปริยัพเนี่ยหรือผู้ที่ทรงจําปริยัพไว้ได้ถือว่าเป็นผู้มีทรัพย์อันพระอริยทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ฟังธทำนะท่านไม่ค่อยมีปฏิสัมพิทาท่านไม่เท่าไหร่แต่ว่าการฟังเนี่ยเป็นเหตุแห่งปฏิสัมพิทาของท่าน